19. อุทยพยายานวงเล็บเปิด 10. มกราคม2 5 5 1ในวงเล็บ 1. จุดจุดนาที8วงเล็บปิดการที่เราจเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะถ้าเราจเจริญวิปัสสนาเราตามรู้สภาวะจนสันตติขาด อันนี้เรียกว่าอุทย พ, พยายานเป็นวิปั ส, สนาตัวแรกเลยฉะนั้นที่ไป น, นั่งเพ่งท้องแล้วก็นิ่งๆอยู่กับที่ท้องไม่เกี่ยวอะไรกับวิปัสสนานะเนี่ยเราจะเห็นสภาวะที่เกิดดับเกิดดับทียิบอยู่อย่างนั้นแหละเกิดดับต่อนเนื่องไปเรื่อยๆ